พักพวกภิกษุจํานวนหนึ่งจากนครราชคึกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระาศาสดายังนครสาวัตถีพระาศาสดาทรงปฏิสันทานกับภิกษุเหล่านั้นคือพูดง่ายงว่าไอเรื่องเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วเลยจนกระทั่งปรากฏว่าใครใครก็รู้กันไปทั่วนั้นะในนครราชคึกแต่ตอนนี้เนี่ยภิกษุที่ อยู่ที่นครราชคึกเนี่ยขาลูกศิษย์ของพระมหากัสปะปรากฏว่าเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เจ้าอยู่ที่าสาวัตถีอยู่อยู่คนละเมืองนะพอมาเข้าเฝ้าเสร็จผู้เจ้าทั้งกระถานภิกษุพวกนี้พวกเธอมากันจากที่ไหนเล่าพวกภิกษุก็ตอบว่ามาจากนกครราชคึกพระเจ้าข่าใครละ่ะเป็นอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนพวกเธอ พระมหากัสสปะเถระพระเจ้าข้ากัสสปะเป็นสุขสบายดีอยู่หรือพระเถระสุขสบายดีแต่สัตธิวิหาริกสัตธิวิหาริกหมายถึงลูกศิษย์แต่มีลูกศิษย์คนหนึ่งกดเคืองในคำสอนของท่านอาจารย์ถึงกับทำลายข้าวของเผากุฏีที่พักของอาจารย์จนหมดสิน้นแล้วหนีไปพระเจ้าข้า พระศาสดาทรงสดับอย่างนั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลใดได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราบบุคคลนั้นพึงครอบงามอันตรายทั้งปวงมีใจชื่นชมมีสติเที่ยวไปด้วยกันกับสหายนั้นคือพู้เจ้าท่านตรัสว่าถ้ามีมิตร ด, ดีสหายดีผู้ง่า นะก็ควรเกาะกลุ่มควรเกาะหมู่ควรไปด้วยกันนะอย่าอย่าไปแบบว่าเอ้ยฉันเก่งฉันแน่ฉันเอาตัวรอดไปของฉันแต่ผู้เดียวบอกไม่ดีแน่ถ้ามีมิตรดีสายดีควรจะรวมหมู่รวมกลุ่มกับมิตรดีสายดีแต่ถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นพึ่งเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่าน อืมนะผู้เจ้าท่านตรัสว่าถ้าคราวนี้ไปที่โน่นไปที่นี่ไปที่นั่นเจอเจอคนนั้นคนนี้นะพูดคุยด้วยทำงานด้วยแล้วปรากฏว่าไม่ได้เป็นมิตรดีสายดีเลยเจอแต่คนพาลคนพาล น, นี้มีสองลักษณะใหญ่ๆตามตามที่เราเข้าใจทุกวันเนี้ยนะคือหนึ่งก็คือพวกพาลเกเลนะพวกคนพาลแบบไอ้นักเลงหัวไม้พวกอะไรพวกนี้เนี่ยหนึ่ง ส่วนพานอีกอันหนึ่งนี่ตามภาษาบาลีตามอะไรพวกนี้พานหรือภาระเนี่ยแปลว่าแปลว่าคนโง่เขาแปลว่าคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยนะเพราะนั้นพานเนี่ยคือพวกพวกคนพานนิสัยเกเรเนี่ยพวกหนึง่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกโง่ไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยปรากฏว่าไปทํางานกับใครแล้วต้องอยู่กับคนแบบเนี้ย คำว่าคนพานนี่โง่ไม่ฉลาดนี่ต้องเข้าใจนะคำว่าโง่ไม่ฉลาดนี่คือไม่ฉลาดในทางทมคนพานที่มี i อคถึงร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบอะไรมี IQ คได้นะ โ, โหฉลาดชนิดที่เรียกว่าเลเี่ยมอะไรซับซ้อนอะไรนี่ได้เลย i อคสูงมากแต่นิสัยเลวร้ายนะ คดโกงปิดศิลธรรมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าคนผ่านอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นคนโง่นะในทางธรรมฟังดูให้ดีนี่คือคนโง่ในทางธรรมเขาอาจจะฉลาดในทางโลกอย่างสูงส่งเลยอาจจะเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรที่โอ้โหเรียนได้เก่งกาจจบมาไม่รู้ตั้งกี่ปริญญาก็ตามแต่แต่อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นคนผ่านคือเป็นคนโง่ในทางธรรม นะเพราะว่าคนนี้แม้เรียนเก่งแม่มีปริญญาสูงแม้ฉลาดแบบโลกโลกหาเงินก็เก่งทํางานก็เก่งโอ้ฉเฉลียวฉลาดคิดคอมพิวเตอร์ได้คิดประดิษฐ์อะไรต่ออะไรวิเศษยอดเยี่ยมแต่ไม่มีธรรมะไม่มีศีลธรรมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนผ่านนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราจะรู้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราไปทํางาน ไปทำบริษัทไหนก็ได้เอาหรือไปทำร่วมหมู่ร่วมกลุ่มกับใครปรากฏว่าโอ้โหคนเก่งๆคนฉลาดในทางโลกอยู่เยอะเลยนะแต่ส่วนใหญ่นี่เป็นไงเป็นคนพานเป็นคนพานคือเก่งฉลาดแบบโลกแต่งโง่ในทางทมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ควรทำอยู่ด้วยหรอกพระเจ้าท่านถึงตัดเนี่ยถ้าไม่ได้สหายที่ดีๆแล้วเนี่ยที่เป็นบัณฑิต เป็นฉลาดในทางธรรมะแล้วนะเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปมีหมู่ไม่ต้องมีกลุ่มดีกว่าเพราะปลอดภัยกว่าด้วยอันตรายก็น้อยกว่าโดยเฉพาะอันตรายอะไรอันตรายที่เราไม่ต้องไปยอมจำนวนอยู่กับหมู่กลุ่มนั้นเพราะสมมติว่าคุณคนเดียวคุณไปอยู่กับหมู่กลุ่มที่เป็นคนพาลคบอะไรนะคบคนพาลพาพา ไปหาผิดเพราะคุณหนีไม่พ้นนี่ใช่ไหมคุณจะไปขวางลำขวางอะไรได้ยังไงคนเดียวอะ่ะอันนี้แหละมันจะไปเข้าที่ที่ว่ายอมมอบตอนในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นคนนั้นยังจะต้องติดอกุศลในข้อเนี้อยู่คือต้องยอมตอนอยู่ในทางที่ผิดอย่างนั้นนะเพราะคุณไปอยู่ในหมู่กลุ่มนั้นน่ะถือว่าเขาจะเขาจะทุจริตเขาโกงกินกันคุณว่าคุณไม่โกงคุณไม่โกงคุณอยู่ไม่รอดหรอกถึงคุณไม่โกงยังไงเขากงกันน่ะ คุณก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเสร็จแล้วไอ้การทํางานก็ทำกันไปเรื่อยใช่ไหมวันใดที่สุดมันโกงไปเรื่อยโกงไปทุกวันทุกวันโกงอยู่ตลอดแต่คุณก็อยู่อยู่ในดงนั้นนหะคุณก็ต้องทํางานกับเขาแม้ตรงนี้คุณไม่โกงแต่คุณก็ต้องรับใช้เขาคุณก็ต้องทําให้นุ่นทําไม่ดีให้เขาอยู่ดีก็เท่ากับเป็นมือเป็นไม้เท่ากับส่งเสริมให้เขามีวงจรไอ้ทุจริตไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นการยอมมอบตนในทางที่ปิดอยู่อย่างนั้น นะเพราะนั้นอันนี้พระเจ้าถึงบอกว่าอย่าเลยหลุดออกมาเลยดีกว่านะถ้าหาหมู่กลุ่มไหนหาสังคมไหนที่ดีไม่ได้โดดเดียวก็ทําดีของตัวเองคนเดียวไปเลยถ้ามันหาหมู่ไม่ได้นะแต่ถ้ามีหมู่ที่เร า, เาได้ไปคบคุ้นได้ไปตรวจสอบได้ไปสังเกตดูแล้วหมู่กลุ่มนี้ใช้ได้ใช้ได้ยังไงก็ยังมีดีมีอะไรอยู่พอสมควรละคิดว่า พออยู่แล้วเราก็ยังได้อะไรอ่ะทำโดยเราให้พัฒนาให้เจริญขึ้นในทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นอย่าอยู่คนเดียวคนนี้ให้อยู่กับหมู่กลุ่มนั้นยิ่งถ้าเราชัดเจนเลยว่าโอ้โหหมู่กลุ่มนี้นะครูบาอาจารย์ก็ดีคนที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ก็ดีอาจจะมีบ้างบางคนอาจจะยังนิสัยไม่ดีทุกที่มันก็ต้องมีไม่ดีบ้างอ่ะแต่ส่วนใหญ่ดีเนี่ยถ้าอย่างนั้น เข้าหมู่เข้ากลุ่มเลยนะยาไปผู้เดียวเนี่ยพเจ้าท่านก็ตัดให้กับเหล่าภิกษุทั้งหลายฟังนะภิกษุดื้อรั้นว่ายากสอนยากนี้ก็เป็นคนพานกดเคืองคําสั่งสอนของอาจารย์ทําลายที่พักของอาจารย์ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เคยพานกดเคืองทาลายที่พักอาจารย์ที่พักอาศัย ของผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันตัวชาดกยังไม่ได้ขึ้นเลยนะนี่ยคือตอนนี้เล่าถึงต้นเรื่องเล่าถึงสาเหตุที่มาที่พู้เจ้าท่านจะตัดชาดกต่อไปนี้แต่เล่าที่มาว่าเนี่ยนี่แหละพิษสูบ ห, หัวดื้อรูปเนี้ยไม่ใช่เคยแต่ทำลายที่พักของอาจารย์มาแล้วเนี่ยบอกว่าแต่ก่อนโน่นไม่รู้เมื่อไหร่นะก็เคยทำลายที่พักของคนอื่นมาแล้ว เหล่าภิกษุได้ยินดังนั้นจึงทูลขอให้เล่าเรื่องนั้นพระศ า, าสดาก็ทรงแสดงชาดกเรื่องนั้นให้ฟังว่าในอดีตการณนะป่าหิมพานต์มีนกขมิ้นหนุ่มตัวหนึ่งทำไมนกขมิ้นมันต้องเหลืองอ่อนอยู่เรือ่อยไอ้ที่เขาชอบพูดอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะสีมันเหลืองเหลืองแล้วมันเหลืองอ่อนเหรออธิมาไม่ค่อยรู้่เรื่อง เรื่องนกเรื่อนต้นไม้เรื่องอะไรอยอยู่แต่ในเมืองไม่ค่อยได้ไปอยู่ป่าเขาเลยไม่ค่อยรู้พยายามอยู่กันนะพยายามจะรู้แต่รู้แบบงูงปูปลาปาอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยมีนกขมิ้นหนุ่มอยู่ตัวหนึง่งอาศัยอยู่โดดเดี่ยวลำพังทำลังเป็นที่พักเอาไว้อย่างประณีตมั่นคงและแข็งแรง แม้แต่ฝนตกลงมาก็ไม่อาจรั่วลดไดแ้แสดงว่ามีไม่จะบอกว่าฝีมือไม่ได้ต้องบอกว่ามีฝีปากใช่ไหมนกมันใช้คาบใช้อะไรมาคาบ อ, าอะไรอ่ะฟางบ้างคาบกิ่งไม้บ้างคาบอะไรบ้างแต่นกเคยจะยินแม่นกแบบนกสถาปนิตอนะ่ะที่ที่ทตัวเล็กๆ เ, เก่งมากเลยเนะ่ยมันเอาไอ้พวกฟางพวกอะไรเนี่ยมาสร้างเป็นรูปทรงต่างๆสวยงามเลยนะ โอ้เก่งมากเลยนกชนิดนี้ปนีดด้วยอันนี้ก็เหมือนการปรากฏว่านกขมิ้นตัวนี้สร้างรังของตัวเองอย่างปณีดเลยไม่ใช่แค่อยู่อาศัยได้เท่านั้นสามารถป้องกันฝนได้เลยนะฝนนี่ไม่รั่วเลยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ฝนกำลังตกหนักไม่ขาดเม็ดพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนปรากฏในที่ใกล้ๆรังของนกขมิ้นนั้น มีลิงตัวหนึ่งนั่งเปียกปอนอยู่ที่คาคบไม้กัดฟันแน่นสู้กับความหนาวเย็นนกกรมิ้นเห็นลิงต้องลาบากทรมานอย่างนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะถามไถ่ออกไปว่าวานอนเอยหัวของเจ้ามือเท้าของเจ้าก็มีเหมือนพวกมนุษย์ก็แล้วทำไมเล่าเจ้าจึงไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างมนุษย์บ้างนักก็ถามด้วยความสงสัย ลิงเหลียวดูนกขมิ้นที่อยู่ในรังอย่างสุขสบายมีที่กำบังฝนอย่างดีอบอุ่นแล้วก็ตอบไปว่าเจ้านกขมิ้นแม้หัวของเรามือเท้าของเราจะเหมือนพวกมนุษย์ก็จริงแต่ปัญญาที่พวกบัณฑิตบอกว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์นั้นเราไม่มีเราจึงสร้างบ้านไม่เป็นแต่ถึงกระนั้นเราก็มีนิสัย ชอบอยู่ของเราอย่างนี้แหละเจ้าจะทําไมป่วยง่ายไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูนะนะเอ็กไม่ต้องมายุ่งหรอกแต่ก็ยอมรับนะว่าจริงนะเหมือนเหมือนมนุษย์ก็จริงอะ่ะแต่สมองไม่มีเพื่อนง่าย ไ, ไ ม, ไม่ไม่ใช่สมองไม่มีปัญญาไม่มีก็เลยบอกไม่รู้ว่าจะไปสร้างบ้านอย่างมนุษย์เขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้เนี่ย หมายความว่ายังไงคนคนผู้ที่พูดอย่างเงี้ยคือลิงตัวเนี้ยที่ตอบอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงรู้สึกยังไงถึงตอบเงี้ยเออรู้สึกไม่ชอบใจอะนะยิ่งมองไปเห็นโอ้โหไอ้นี่อยู่รังสบายเลยนะนอกกระมิน้นนี่อยู่รังสบายเลยนะไอตัวเองมันนั่งหนาวจับขาคบมาอยู่ใช่ไหยเสร็จแล้วมาถามอย่างเงี้ยถามอย่างเงี้มันเหมือนดูหมินเใช่ไหม เมือนเยาะเย้ยเหมือนอะไรอย่างนี้เพราะนั้นก็เลยตอบไปยังไม่ชอบใจนกกมิ้นฟังลิงแสดงนิสัยของตนเองแล้วด้วยความหวังดีจึงกล่าวเตือนสติออกไปอีกว่านิสัยวานอนนั้นมีใจไม่นิ่งมีจิตกลับกรอกมักปทุสร้ายมิตรมีปกติอยู่ไม่มีปกติอยู่ได้ไม่ยั่งยืนแม้พูดอย่างนี้ อาตมาว่าวอร์ชแล้วนกขมิ้นเนี่ยโอ้ก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ค่อยชอบใจใช่ไหมเสร็จแล้วยังจะพูดอย่างนี้อีกเนะนี่ยนี่นี่นว่าทั้งนั้นเลยใช่ไหมเ น, นี่ยนะเนี่ยบอกว่าลิงเนี่ยปกติเอใจไม่นิ่งอยู่แล้วแสดงว่าหลอกแหลกหลอกแห ล, ก, ล, ก, ลกนะเนี่ยมีจิตกลับกรอกไปกลับกรอกมาแล้วก็ชอบปะทุสไล์มีตัวนี้เนี่ยอันนี้อยู่กับว่าเขาอีกแล้วนะแล้วก็เนี่ยมีปกติอยู่ไม่ยั่งยืนหรอก อน่ายิ่งไร้ที่พักอาศัยย่อมมีสุขภาพไม่ดีเจ้าจงสร้างอานุอนุภาพให้เกิดขึ้นแก่ตนเปลี่ยนปกตินิสัยไม่ดีของเดิมไปเสียแล้วจงสร้างที่อยู่อาศัยเอาไว้ป้องกันลมฝนและความหนาวเถิดจีก็เจตนาดีอะ้วบอกไปสร้างที่พักอาศัยดีกว่า จะได้มีที่กำบังฝนกำลังอ่ากำบังลมแดดอะไรต่ออะไรใช่ไหมสุขภาพจะไม่เสียเจตนาดีแต่อย่างเงี้เขาเรียกว่าพูดแบบไหนพูดแบบไม่มีศิลปะที่จะเจตนาดียังไงก็ตามแต่พูดเนี่ยขึ้นต้นมาก็อะไรก็แล้วว่าเขาก่อนแล้วเนี่ยชามารอเนี่ยมาเตือนอยู่เรื่อยเลยบอกว่าถ้าเวลาจะพูดตำหนิใครเขาไปเนี่ยนะ ต้องขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนอต้องขึ้นขอโทษนะคะหรือขอโทษครับอคุณต้องนำนี้ไปก่อนอา่าพอนำไปใส่ก็ขอโทษนะครับโปรดอา่าหรือการุณาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนั่นนก่อนจะไปตีหัวใครเขาเนี่ยนะแหมยังไงก็บอกเก่าเล่าสิเออเตรียมยาเตรียมอะไรให้เขาหน่อยสิแหมโอ้ อยู่ดีก็มาถึงก็เป่งเลยใครเ็จะไปรับทันใครเขารับไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นศิลปะหรือเป็นเรื่องของศัุริสธรรมที่เราจะต้องรู้จักประมาณเพราะหลายคนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนตรงเป็นคนซื่อเป็นคนที่พูดไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่คำพูดเนี่ยพอพูดไปแล้วมันร้ายเจตนานี่ไม่ร้ายหรอกแต่พูดออกไปแล้วคนฟังเนี่ยเขาาโอ้โ oh ห ทุกทรมานเจ็บปวดอันนี้ต้องระวังเพราะถ้าใครมีสติแล้วคอยระวังเอาไว้เนี่ยมันก็จะเตือนตัวเองยิ่งบอกแล้วโดยเฉพาะเวลาที่จะตาหนิคนยิ่งต้องระวังมากๆทำยังไงจะให้นุ่มนวลที่สุดที่ให้ผู้รับแล้วไม่รู้สึกเลยนะคุณฟันไปฉับโอ้ยังไม่รู้สึกเลยแต่เขานี้คอขาดไปแล้วโดนเราฟันคอขาดไปเรียบร้อยละ คำว่ า, าคอขาดหมายถึงว่าพอเราติเราว่าไปนี่เขายังไม่รู้ตัวเลยไงอ่าแต่ที่ไหนเขาตายแล้วเขาตายแล้วคือไอ้เรื่องที่เราตําหนิไปเนี่ยไอ้เรื่องที่เราว่าไปเนี่ยนะกเขาฟังไปจบหมดแล้วเขาเผล อ, เ, อ, เ, อเขาพยักหน้าเขาเขารับคําเข้าอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือคือฟันฟันขาดไปเรียบร้อยแล้ะคือเขายอมรับเรียบร้อยละ เขาไม่คิดเลยว่านี่เรากําลังไปติเขาเรากำลังไปสอนเขาเรากำลังไปว่าเขาไม่รู้ตัวเลยเขานึกว่าเรากําลังช่วยเหลือเขาโดยซ้ําไปนี่คือเขาไม่คิดว่าเราเอามีดดาบเอาอะไรไปฟันเขาให้บาดเจ็บให้เป็นแผลให้เลือดออกอะไรพวกนี้อืมแต่พวกเราเนี่ยบางทีอย่างพ่อท่านเคยบอกมีดก็ไม่เคยรับเลย ทื่อแล้วนะถื่แล้วก็ไม่เคยรับอีกนะคือไม่ไม่ยอมรับเลยวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเนี่ยไม่เคยไปรับมีดให้มันคมๆหน่อยเวลาฟันใครเขาเขาไม่เจ็บไม่ปวดแต่ขาดแล้วสองท่อนนะแต่ละวันก็ใช้แต่มีดทื่อๆเวลาไปฟันอะไรก็เอาทื่อๆนั่นแหละไปฟันคุณคิดดูที่มีดทื่อๆไปฟันอ่ะนานแม้กว่าไอ้ของนั่นจะขาด โอแล้วยิ่งคุณไปเจอไอ้ประเภทอะไรอะ่ะเนื้อเหนียวเหนียวหรือหรือเต้าหูเเ้เหน๋ยวเหนียวเอ้าเราเราไม่เราไม่หั่นเนื้อละเพราะฉะนั้นเต้าหู้เหนียวเหนียอย่างเงี้ยโอ้โหมีทื่อไปไงโอ้โยมันหั่นเข้ายากแล้วคุณกว่าคุณจะหั่นเสร็จไอีเต้าหู้ไปไงเละหมดแล้วใช่ไหมละ่ะอย่างเงี้ยกว่าคุณจะสอนเขาลูกเรื่องได้กว่าจะติเขาลูกเรื่องได้เขาเละตุ่มเป๊ะไปหมดแล้วคือเขาโกรธเขาเกลียดเขาแค้นเขา ไม่ชอบใจเขาอึดอาจเขาถือสาไปตั้งไหนไหนละอย่างเงี้ยมันมันใช่ไม่ได้แสดงว่าแต่ละวันที่ผ่านไปกูไม่ได้ฝึกปรือเลยจริงๆเรื่องของการพูดจาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผู้เจ้าท่านก็นสอนไม่หมดแะแม้แต่การติงเตือนผู้เจ้าสอนไม่หมดจําได้ป่ามีอยู่5อย่างอะ่ะอันนี้ก็พูด บ, บ่อยๆ ต, ต้องเป็นคาจริงต้องเป็นคาตรงต้องเป็นคำเป็นประโยชน์อา้าวต้องเป็น ความสุภาพเอา้าเราต้องอะไรอีกเอ้าสําคัญที่สุดต้อง <c oughs> เมตตาเมตตาเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้อมันนุ่มนวลแม้คุณพูดแรงๆนะคุณใช้ภาษาแรงๆคุยอะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณมีอะไรอะ่ะจิตเมตตาที่พูดออกไปแล้วทําให้คนรับความรู้สึกว่าคุณพูดด้วยความเมตตาได้เนี่ยจะทําให้เขารับได้ แม้ว่าจะโดนติโดนว่าแรงๆก็ตามเขาจะรับได้เพราะเขาชัดเจนเลยว่าคุณเมตตาเขาจริงๆคุณไม่จะมาแกล้งด่าไม่จะมาแกล้งว่าเขาไม่ต้องอื่นไกลในขนาด พ, พ่อแม่เนี่ยบางทีสอนลูกถ้าคุณแสดงความเมตตาออกไปไม่เจอนะไม่เห็นนะลูกมันยังโกรธเกลียดพ่อแม่เลยยังไม่ชอบใจเลยเนี่ยเหมือนลูกศิษย์ที่โกรธเกลียดอาจารย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นจะต้องเนี่ย เอฝึกฝนยิ่งการพูดจาเนี่ยมันถือสากันง่ายผิดพลาดอะไรไปต้องกล้าขอโทษต้องกล้าขอโทษแต่ขอโทษบ่อยไปเขาก็ไม่ชอบนะเอต้องกล้าขอโทษแล้วก็มีสติคอยระวังเนี่ยถ้าใครทําได้เนี่ยเหตุการณ์ต่างก็จะไม่ค่อยมีเอาแต่ตอนนี้พอนกขมิญ น, นี่ใช่ไหมเนี่ยว่าว่าวว่ า, ว า, ว า, วาเสร็จแม้จะลงท้ายว่าเออถ้าสร้างบ้านได้เนี่ยมันจะทําให้ สุขภาพดีนะไม่เจ็บป่วยน ะ, ะดูตอนนี้ลิงฟังแล้วก็รู้สึกว่าโดนสั่งสอนลิงจึงโกรธไม่พอใจบังเกิดความถือตัวขึ้นมาว่าเกิดทั้งความถือตัวทั้งความโกรธไม่ชอบใจอึดอัดคัดเคืองเนี่ยนะก็เลยพูดกลับไปเลยเจอนกามินตัวนี้ออกออกคิดคิดตอนนี้พอโดนด่าสิก็คิด เจ้านกกระมิ่นตัวนี้ด่าว่าเราจริงๆเขาสอนนะแต่ใจเนี่ยคิดว่าเขาดา่าละดูมินเหยียดหยามเราเพราะมีรังอยู่สุขสบายฝนไม่ร่วรดฉะนั้นเราจะจัดการมันเสียเอาแล้วนะคิดแล้วก็กระโจนใส่รังนกกระมิ้นทันทีหมายจับตัวนกกระมิ้นเอาไว้แต่ก็ยังช้าเกินไปเพราะนกกระมิ่นเห็นท่าทางของลิงแล้วก็ไม่ไว้วางใจ ฉลาดหน่อยนะเพราะนั้นเวลาใครพูดกับคนอื่นเนี่ยอาตมาบอกเสมอเลยพูดกับใครเขาแล้วต้องหัดมองหน้าเขาไม่ใช่กลมหน้ากลมตาพูดไปเรื่อยเขาเอาไม้มาแล้วยังยังไม่รู้เรื่องอีกนะระวังนะอุ๊โนเพราะ no. <c oughs> นั้นะ่ะพูดไปแล้วก็มองหน้าดูหน่อยเขาเป็นยังไงแล้วแววตาเขาเป็นยังไงนะถ้าเริ่มแดงกำ่ำ <c oughs> ขมาคุต้องรู้เลยโอ้โหนีน่ตาชักจะไฟลุกแล้วนะ คือพูดต่อแล้วก็เดี๋ยวได้เรื่องแน่หรือพอพูดไปแล้วเนี่ยโหปรากฏว่าน้ำแมแมะแแม่แล้วโหเขาน้ําตาซึมน้ําตาร่วงไปแล้วเป็นไงล่ะคราวนี้จะพูดอะไรไปต้องโอ้ต้องระวังคําพูดให้ดีละไม่ใช่พูดจนกระทั่งเขาเสีย อ, อกเสียใจไปค่าตัวตายนะคุณอ่างั้นก็บาปกรรมเราเหมือนกันนะเพราะอันเนี้ยพูดแล้วต้องพยายาม สังเกตหรือว่าดูความรู้สึกของผู้รับด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่สักแต่ว่าพูดพูดพูดพูดนะเอ็งรับให้ได้ก็แล้วกันต้องดื่มคำตำหนีให้ได้ <c oughs> โอ้คิดอย่างเงี้ยตายพังมาเยอะต่อเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยดีนะนกกระมิ่นนี่ยังปรากฏว่ายังฉลาดหน่อยนะพอเห็นลิงกระโจนเข้ามาใส่เท่านั้นเองนะก็บินหนีไปก่อนอย่างรวดเร็ว ปากดว่าลิงก็จับนกไม่ทันแล้วนะด้วยความโกรธแค้นลิงจึงทุบตีทำลายหลังนกกมิ่นจนพี่นาศสิน้นระบายโทสะจนสมใจแล้วค่อยจากที่นั้นไปพร้อมกับหนี้กรรมที่ได้สะสมไว้แล้วครั้นพระาศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วได้ตรัสว่าลิงในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้เผากุดีในบัดนี้ส่วนนกกมินในครั้งนั้น ได้มาเป็นเราตถาคตในบัดนี้ <c oughs> นี่แสดงว่าพูดเจ้าเนี่ยใช่ไหมท่านก็ต้องฝึกฝนมาเรื่อยๆคนเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีศิลปะหรือมีความสามารถในการพูดจาในการที่จะมีเมตตาวันคนเราไม่ได้อยู่ดีๆก็เก่งเก่งเองเกิดมาแล้วมันเก่งเองไม่มีอ่ะเพราะันต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องออปฏิบัติสะสมเนี่ยฝีมือหรือว่า ความชํานาญมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าถึงบอกว่าต่อให้ท่านพูดรุนแรงท่านตําหนิเจ้ารัฐที่ต่างๆโอ้โหว่าเขาแรงนะอย่างที่ตะกี้บอกอะบางทีที่ว่าภิกษุบอกเนี่ยอย่างกัเดรัฉาเลยนะเหมือนเนยกินแล้วนอนกินแล้วนอนขี้เกียจเหมือนหมูเลยนะแต่ท่านมีศิละปะที่ท่านจะพูดแล้วว่าแรงๆแล้วเนี่ย ผู้รับรับได้ เ, รรเพราะฉะนั้นเราดับพระพุทธเจ้านี่จะไม่มีตายเพราะเขาอะไรนะมาฆ่าให้ตายเพราะการพูดนะไม่มีไม่ต้องไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกนะเอาพ่อท่านก็ได้พวกคุณคงจะได้ยินสํานวนบ่อยๆพ่อท่านบอกว่าพูดไปแล้วเนี่ยพูดรุนแรงเนี่ยพูดไปแล้วให้เข้ามา ค่าภายในห้าวันเจ็ดวันก็ได้เนี่ยถ้าท่านไม่ประมาณนะคิดแต่จะให้โลกนี้อะไรนะเป็นบุญิยมพูดมันเข้าไปพูดมันเข้าไปไม่ได้หรอกคุณเพราะจริงๆเนี่ยคนดีเนี่ยมันก็ถจึงเดียวนะคนเลวในโลกนี้มันเยอะนะมันมากมายนะหมายถึงว่าคนที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันท่วมโลกเลยนะ แต่คนที่จะเป็นคนดีเสียสละแล้วก็มีศีลธรรมเนี่ยหรือคนที่มีาศาสนาในหัวใจอ่ะจะหลายๆาศาสนาก็ตามแต่จํานวนน้อยเท่านั้นคุณขืนมาทําเป็นซ่าพูดยังไงนะแล้วก็โอ้โหไม่ได้ต้องจัดการต้องเปลี่ยนแปลงผู้คนให้หมด เ, เหมือนพระเยซูคริสต์ท่านไปอะไรอ่ะไปพังพี่นาอะไรเขาเสร็จเลยอะเขาจับไปติดคุกเลยอ่ะนั่นเนี่ย ถ้าขืนไปทํารุนแรงไม่ประมาณเนี่ยถึงโดนติดคุกถึงโดนฆ่าตายก็ได้เพราะาเจ้ารัฐทีหรือศาสดาต่างๆเนี่ยจะต้องมีสัปปุริษธรรมในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเมื่อจะเป็นเจ้ารัฐที่เป็นาศาสดาแล้วจะต้องพยายามทำาศาสนานั้นๆเนี่ยให้ยั่งยืนให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะต้องมีฝีมือในด้านนี้ฮ้อนวันเนี้ยฝากประเด็น ง, งอยากจะฝากประเด็นเรื่องของความโกรธนะว่าความโกรธเนี่ยเป็นหนี้นะเป็นหนี้ทางมโนกรรมแล้วถ้าสะสมไปมันก็จะหลุดเป็นบัจกรรมสะสมเพิ่มไปอีกก็จะหลุดมาเป็นกายกรรมแต่ทั้งหมดนี้นะในเนื้อหาในเรื่องนี้จะเห็นได้เลยอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์พระมหากรสปะสอนลูกศิษย์ พระมหากัสปาเนี่ยเป็นสายแบบเจโตท่านไม่ท่านยังไม่ใช่แบบสายปัญญานะท่านสอนลูกศิษย์บางทีท่านก็คงสอนตรงๆแบบนี้แหละนะแสดงว่าศิลปะท่านก็ยังไม่มากพอจนกระทั่งทําให้ลูกศิษย์เผากุฏิท่านได้อ่าแสดงว่าท่านยังต้องฝึกฝนเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นเพราะนั้นนี่ขนาดอาจารย์กับลูกศิษย์เพราะสิ่งที่อาตมา อยากจะแนะนําแล้วก็ฝากพวกเราที่สุดเลยก็คือเรื่องของการพูดจาที่เราจะต้องระวังมากๆเพราะทุกวันนี้ปัญหาที่มากที่สุดในหมู่ของนักปฏิบัติธรรมก็ตามหรือในคนโลกๆทั่วไปก็ตามปัญหาที่มากที่สุดคือเรื่องของคำพูดการพูดแล้วทำให้ทะเลาะเบาแหวง่งการพูดแล้วทำให้คนที่เคยเป็นเพื่อนกันแตกแยกสามัคคีกันก็ได้หรือ พูดไปแล้วทําให้ฆ่ากันถึงตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของคําพูดมันมีผลเร็วมากเร็วหนะ้าเร็วมีผลที่เร็วมากเลยเราะนั้นรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่โทรทัศน์นี่หนักข้อก็ไปโทรทัศน์นี่มีทั้งภาพมีทั้งเสียงแต่อย่างวิทยุเนี่ยมันก็จายไปเร็วมากเลยใช่ไหม ทั่วถึงอย่างรวดเร็วเลยใครสามารถฟังใครสามารถรับรู้เพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงคนให้ดีการพูดก็เปลี่ยนแปลงคนได้เร็วแล้วก็ได้มากแต่ในทํานองเดียวกันแต่ตรงกันข้ามการพูดก็เป็นสิ่งที่สามารถทำลายทำร้ายคนอย่างรุนแรงแล้วก็สามารถจะกลับมาทำร้ายตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ด, ด้วยเพราะนั้นคพูด สามารถที่จะสร้างสามมากีคำพูดสามารถจะเป็นสังฆเภทคือทำให้คนดีเนี่ยแตกแยกกันเลยก็ได้ห้าละวังาสามารถที่จะเป็นอนันตรียกรรมเพียงแค่คำพูดนี่แหละสามารถเป็นอนันตรียกรรมหมายถึงว่าเป็นบาปกำรหรนดเป็นบาปกรรมใหญ่เพราะคำพูดหนักจนกระทั่งถึงขั้นเท่ากับอะไรนะ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพระเจ้เจ้าหรือว่าฆ่าพระอาหารเลยนะเนี่ยเพียงแค่คำพูดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องของการพูดบุญก็จะได้มากแต่บาปก็จะจ ะ, จะได้เยอะเหมือนกันถ้าเราไม่ระวังอ่ะวันนี้คงนะปากไว้เพียงเท่านี้